สวัสดีครับท่านผู้มีใจบุญและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหลายเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้นั้นท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องต่างๆที่ผมจะพูดนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง ผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ควรจะได้มีการบอกเล่าให้กับท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับว่าในเรื่องของบุญกุศลนั้นมันมีจริงและเราเมื่อรู้ดังนี้และเราจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็อยากจะอบอกกับท่านทั้งหลายว่าเมื่อท่านฟังเรื่องที่ผมบรรยายในครั้นี้ ขอให้ท่านต้องพยายามนะครับทำใจคือทำใจให้สงบแล้วก็รับฟังในเรื่องที่ผมจะพูดนี้นะครับแล้วท่านจะมีความสุขนะครับมีความสุขอันเรื่องของอมนุษย์นี้ทุกๆคนนะครับที่เกิดมานี่ทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองนี่เกิดมาได้อย่างไร แล้ทำไมตัวเองเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เกิดเป็นสัตว์นะครับผมอยากจะบอกท่านในราบว่าการที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เพราะว่ากรรมของท่านที่ท่านทำไว้ในชาติก่อนนั้นเสริมส่งท่านทาให้ท่า น, นมีสภาพของมนุษย์นะครับผมเองเมื่อเวลาเกิดมานั้น ผมก็ไม่ไม่คิดว่าผมเนี่ยจะเป็นมนุษย์นะครับผมไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ว่าผมลืมตาขึ้นมานะครับผมก็ยังไม่รู้อยู่เหมือนกันนะฮะจนกรังผมโตขึ้นมานะครับผมก็รู้ว่านี่คือคุณแม่และนี่คือคุณพ่อเรามีพี่เรามีน้องนะครับหลายคนด้วยกันนะครับเราอยู่รวมกันนะฮะเรารู้อย่างเดียวว่าเมื่อเวลาเราหิว คุณแม่ก็าจะเอานมมาให้เราทานเมื่อเราง่วงคุณแม่ก็จะกบให้เรานอนเรารู้เพียงแค่นี้นะครับแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าพระอาทิตย์เมื่อมีขึ้นก็มีตกนะครับชีวิตคนเราเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีตายสมดังคําพรูทีเจ้าที่ท่านว่าไว้ว่าอ่ามนุษย์ทุกผู้และนามที่เกิดมานี้นะครับก็จะต้องอยู่ในวัฏฏะสงสาร นะครับไม่มีใครนะครับที่เกิดแล้วจะไม่ตายทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวประวัตินะครับและประสบการณ์ของตัวผมหากมีสิ่งใดประการใดที่ผิดพลาดไปจากทางผู้ศาสนาผมก็ขออาภัยท่านทั้งหลายใน่นี้ด้วยผมจะพูดในสิ่งที่ผมได้ประสบ นะครับคืนวันหนึ่งนะครับในปีศุกราสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะครับเดือนนั้นเป็นเดือนธันวาคมครับอากาศหนาวเย็นมากเวลาประมาณตีสามเศษนะของคืนวันที่สิบเก้าธันวาคม ก็มีหญิงผู้หนึ่งนะครับอายุประมาณยี่สิบสองปีเศษเศษนะครับเดินไปตามถนนสามเสนนะฮะมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลวชิระผู้หญิงคนนี้นะครับมีท้องนะครับมีท้องเวลาเธอหนื่อนะครับเธอจะเอามือนี่นะครับยันไว้กับต้นมะขามนะครับเพราะสมัยก่อนนี่ต้นมะขามแถวถนนสามเสนนั้น มีมีมากเหลือเกินนะครับใบหน้าของเธอนะ่ะมีเหงื่อออกเต็มไปหมดนะครับเมื่อเวลาเธอเหนือ่อยเธอก็จะหลังทีงต้นมะขามนะครับเธอทํานี้ไปตลอดเธอไปคนเดียวนะครับไม่มีใครไปส่งเธอเลยสมัยก่อนรถไาก็ไม่มีนะครับเธอเดินไปนะครับด้วยความอดทนนะครับบรรยากาศหนาวแต่ว่าเหงื่อที่ใบหน้าของเธอก็ออกมด ตป็โป้งๆนะครับเป็นไปหมดเลยครับทำไมสามีเธอไม่ไปส่งหรือสามีเธอเป็นทหารนะครับเป็นทหารรักษาวังไปเข้าเวรอยู่ตอนนี้เธอปวดท้องที่จะคลอดบุตรคนที่สามครับเธอพยายามกัดฟันจนกระทั่งนะครับถึงโลงบ้าเมื่อไหรแล้วเธอก็คลอดบุตรมาหนึ่งคนนะฮะเป็นเพศชาย ครับเธอตั้งชื่อให้บุตรของเธอว่าเด็กชายสนจินตลัตครับขณะนี้ผมผู้บรรยายได้เกิดมาแล้วนะครับเป็นบุตรคนที่สามของสิบเอกเลื่อนจินตลัตและนางสง่าจินตลัดผมเป็นบุตรคนที่สามนะครับเมื่อผมจำความได้นั้นผมรู้สึกว่าผมมีพี่อยู่สองคนคือพี่ชายคนพี่สาวคนแล้วก็มีน้องอีกอีกสามคน ก็รวมเป็นหกคนนะครับคุณแม่ผมก็มีอาชีพในการขายข้าวแกงให้กับทหารในรหนพันเก้านะครับซึ่งบัดนี้ก็เป็นกรมทหารมาดเล็กนะครับรักษาพระองค์ผมมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายนะฮะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยก็รักลูกมากนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อนะฮะมีเงินเดือนเพียงเดือนละยี่สิบสองบาท คุณแม่ก็ต้องขายข้าวแกงเพื่อจะหารายได้มาจุนเจือกับ <c oughs> คุณพ่อนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมั น, ม, นมันมากนะฮะลูก6กคนนะครับตอนเช้าๆนะครับก็จะมีพระจากวัดแคสามเสนนะครับมาบินทบาต ท, ที่ในลอนหลวงพันก้าคุณแม่เขาใช้ผมนี่นะครับเป็นผู้ใส่บาททุกวัน นะครับเพรเห็นว่าผมเนี่ยตื่นเช้าแต่ความจริงที่ผมตื่นเช้านี่ไม่ใช่ว่าผมตื่นมาเพื่อจะใส่ปาดนะครับผมตื่นมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะกินจาวมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวนี่แก่แล้วมันจะมีจาวนะเวลาคุณแม่จ ะ, จะแกงนะครับคุณแม่ก็จะเอาจาวเนี่ยให้ผมกินก่อนแล้วผมนี่ชอบกินจาวมะพร้าวมากอันนี้เรื่องนี้ก็คุณแม่ก็รู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเ พ, พื่อเพื่อให้สิ่งประโยชน์คุณแม่ก็เลยให้ผมเนี่ยนะครับ อ่าใส่บาตรเสลยตอนเช้าคราวนี้เรามีคือกันหกคนนี่นะครับแล้วก็ไอฟาร์มเป็นอยู่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าลูกมากนะฮะเราก็อาศัยอ่าข้าวแกงที่คุณแม่ทำขายเนี่ยนะครับก็เป็นออาหารนะฮะเพราะฉะนั้นตอนเช้าๆที่เราใส่บาตแล้วก็ใส่ข้าวแกงของคุณแม่นะครับ มันก็มีแกงนี้แกงไก่แกงแ ก, งกงระดูกแกงปลาไหลปลาทูทอดแล้วก็ไข่ดาวไข่เจียวไข่พะโล่ไข่ต้มอย่างนี้นะครับข้าวที่เราใส่เราก็ใส่ด้วยข้ขาวแดงนะครับข้าวแดงนี้เราจะใส่ทั้งหมดห้าวันนะครับอีกสองวันเสาร์ทิพนั้นเราจะใส่บาดด้วยข้าวขาวเพราะว่าที่เราทาอย่างนี้เพราะว่าเรายากจนนะครับเรายากจนมากนะฮะคราวนี้อา่า เมื่อเมื่อเราใส่บาตรเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเราจะได้ได้ได้บุญนะครับเวลาตายไปแล้วเกิดชาติหน้าเราก็จะได้ไม่ลำบากบนชาตินี้อันนี้ผมฟังคุณแม่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าไอ้บุญนะครับมันคืออะไรนะครับแล้วก็ไอ้บาปน่นมันคืออะไรแต่คุณแม่ก็พยายามอบรมนะฮะให้ลูกๆเนี่ยทาทาดีเสมอมานะครับเท่านี้เมื่อคุณพ่อเนี่ยครับ เป็นนายทหารแล้วก็ได้รับยศเป็นถึงร้อยเอกานะที่นี้นะคุณพ่อก็ต้องย้ายแกเอาตำแหน่งใหม่นะฮะที่กองพันสา ร, รวัตรมณฑลตันบกที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ที่สวนมิสกาวันนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นกองบัญชาการของทัพภาคที่หนึ่งที่นี่นะครับเมื่อผมมาอยู่ที่นี่ผมก็รู้สึกว่าความอัตคัดนะฮะความยากจนก็ทืบคลานมาจู่ ครอบครัวเรามากที่สุดเพราะว่าในช่วงนี้คุณพ่อมีลูกอีกสี่คนก็เป็นสิบคนเราทานข้าวกันนะครับเดือนหนึ่งนะฮะหนึ่งกระสอบกับอีกหนึ่งถังไฟนั้นรายจ่ายของคุณแม่เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นมากเดิมทีคุณแม่เคยขายข้าวแกงนะฮะได้กำไรมาสักาวันละสิบบาทหรือห้าบาท แต่ว่าบัดนี้คุณแม่ไม่สามารถที่จะขายข้าวแกงได้คุณแม่เปลี่ยนมาทำข้าวต้มผักข้าต้มแดยต้มขา้ว่ากล้วยแข ก, แะก น, น, น, นะครับขนมใส่ไส้ขนมตาลนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะหารายได้มากินเจือในครอบครัวได้เพียงพอเมือออยู่กันอยู่ที่เรเ109ดังนั้นเราจรึงมีความเป็นอยู่อย่างแหลงแค้มากนะในช่วงนี้ ตอนเย็นผมกลับบ้านผมต้องมาโม่แป้งเพื่อจะให้คุณแม่เนี่ยครับทให้ขนมต้มแดงต้มขาวตอนเย็นก็ต้องไปซื้อใบตองมาเพื่อจะทําอัดต้มผัด <c oughs> ตอนเย็นนะครับเราก็ต้องเลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่เพื่อจะเอาไขเ่เป็ดไข่ไก่เนะ่ยฮะมามากินกันครับความยากจนเนี่ยนะครับเราเราไม่รู้นะครับ <c oughs> ตอนนั้นครับผมก็ โส oh, มากแล้วนะครับอายุก็สิบห้าปีสิบกปีก็เรียนอยู่ที่เรียนนั้นานักศึกษานะครับก็อยู่มัธยมปีที่หกวันนั้นผมกลับบ้านมานะครับผมกลับมาบ้านมาก็ปรากฏว่าอ่าผมมอไปที่เตานะฮะแล้วก็มอไปที่ในตู้กับข้าวก็กฎว่าไม่มีกับข้าวอยู่เลยแล้วก็ในเตาก็มีแต่หม้ออลูมิเนียมนะฮะน้ําเหลือพลาดเลยแต่ว่าไม่มีข้าว ผมก็ไปมองไปที่คุณแม่นะฮะแล้วก็มองไปที่คุณพ่อที่กําลังนั่งหันหน้ากันผมสังเกตว่าคุณแม่ร้องไห้แล้วก็คุณพ่อก็มีน้ําตาซึมท่านกําลังสูบบุหรี่อยู่แต่ว่าบุหรี่ที่ทที่ท่านสูบนั่นก็มีขี้บุหรี่ยาวนะครับท่านไม่ยอมเขีย่ยให้มันหลุดไปที่กระถุนเลยนะครับผมก็บอกว่าทําไมวันนี้ไม่หุงข้าวลูกหิวข้าวแล้วเกิน ในช่วงนี้ผมก็เห็นคุณแม่น้าตาไหลนะครับผมก็หันมาทางพี่สาวนะครับก็ถามพี่สาวบอกว่าทำไมวันนี้เราไม่มีข้าวกินเลยพี่สาวบอกว่าเงียบๆไปให้มาทางนี้นะครับแล้วก็บอกกับผมว่าเสนอกวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมีข้าวกินแล้วเพราะว่ า, าพี่ชายนะฮะคนโตนะฮะได้เอาเข็มขัดมากของแม่เนี่ยข้อสุดท้ายนะครับ เอาไปจำนำเพื่อจะซื้อข้าวนะครับเอามาให้เราให้เรากินนะฮะแล้วก็อาหารวันนี้ก็คงไม่ป้นไ ข, ข่กับปุกทูขอให้น้องทํำใจเย็นๆว่าอย่าได้วุ่วามไปผมมองไปที่คุณพ่อแล้วคุณแม่ผมก็รู้ทันทีว่าท่านมีความคับ อ, อกคับใจมากนะครับท่านองศารพวกเราแต่ท่านพูดไมออกน้าตาท่านซึมนะครับคุณพ่อน้ำตาท่านซึมแต่คุณแม่นี่ยรอใายเลยนะครับ ผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าชีวิตของเหล่านี้ต่อไปนี้สัสบายไม่ได้แล้วเราจะนอนตืน่นสายไม่ได้ใช่ไหมฮะเราจะต้องช่วยเหลืออตั้งครอบครัวบ้างแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยสั่งการว่าน้องๆต่อไปนี้นะเราจะต้องทํางานกันแล้วคือในเวลาที่ฝนตกหนักน้องจะต้องไปกับพี่สองคนนะฮะน้องกับหลวงรองเนี่ยนะครับ เราจะมุ่งไปตีปลากันนะฮะไฟฉายดวงหนึ่งแล้วก็มีดเล่มรวดเส้นหลึ่งเราต้องไปตีปลากันเพื่อจะเอาปลานั้นมาเป็นอาหารนะฮะในตอนเช้าแล้วก็ให้พี่สาวนะครับพี่เก็บผักบุ้งไปตรงคลองเหล้าเป็นจักเพื่อจะเอามาทํากับข้าวในตอนเช้านะครับเราจะแกลงส้มรมิตกันแล้วเราก็จะเอาปลาที่ได้ะะทุกชนิดเลยน ะ, ะมาทําอาหารกินกัน ถ้าหากว่าเป็นเดือนกรกฎตดาสิงหาฝนตกน้อยเราก็าจะจับแมงดาแล้วก็ไปขายที่เทเวศอันนี้เราก็จะได้มีเงินมีทองมาช่วยคุณแม่เนี่ยฮะในการที่จะซื้อเสื้อผ้าซื้อหนังสือเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็จะตายเวลามีงานเนี่ยรัฐมนูญจะไม่ได้อาากอง็จัดกันที่เราก็ลุกโสงมาผมน้องๆ อ, อีกสามคนที่เป็นผู้ชาย และพร้อมกับพี่ชายด้วยก็จะเป็นลักจา้างเฝ้ารถนะครับถ้าเข้ากลับก่อนสองยามแล้วขอเขาห้าบาทแต่ถ้าหากเขากลับหลังสองยามแล้วก็ขอเ้าสิบบาทบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้แต่เราก็ยังมีเงินนะฮะก้อนนี้สําหรับที่จะอ่านํานมาช่วยเหลือทางครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับเราเรามีที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเพราอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า ชีวิตของผมทั้งสิบคนนั้นมีความยากจนและคนแคบมากเมื่อผมมาอยู่ที่บ้านพันธุ์สหมอเตโบอลหนึ่งนี้นะครับผมมีอชีวิตอย่างนี้นะครั บ, ผ ม, มรบผมบางครั้งนะฮะต้องอดมือกินมือเพราะว่าอาหารนั้นเราต้องแบ่งให้น้องๆกินนะครับนั่นจะเห็นว่าตัวผมเ่ยฮะเล็กมากเลยนะฮะพี่ชายผมพี่สาวผมแลวผมเนี่ยตัวเล็ก แต่น้องผมตั้งแต่คนที่สี่ไปถึงคนที่สิบเนี่ยเายุ่ล่างใหญ่โตมากมันผิดกันนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่ผมจะนอนเนี่ยฮะตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ไหว้พระทุกคืนคือคุณพ่อผมเนี่ยฮะแต่ก็ท่านก็เอาให้ผมเนี่ยมานอนอยู่ข้างล่างแล้วก็กันห้องนะฮะข้างล่างเป็นห้องแถวสูงนะฮะแล้วก็หา ก, กันห้องเผมอยู่ข้างล่างก่อนนอน น, น, นนะครับผมก็สวดมน์นะครับสวดมน์ โดยที่คุณแม่จะเป็นคนสอนนะฮะว่าอ่าเราไม่รู้นะครับว่าเรานอนไปเนี่ยเราไปทับใครบ้างเพราะฉะนั้นต้องขอโหสิกรรมซะนะครับขอโหสิกรรมครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนานะครับแล้วก็ขอให้ครับผอบปาลรักษาเราด้วยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ของต่าง น, นี้มันเป็นยังไงรูปร่างหนาตาเป็นไงมันมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ทําตามที่คุณแม่สอนทุกอย่างนะครับ ฉะนั้นนะ่ะอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าผมฝันไปฝันไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ ร, รูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อแขนสั้นด้วยผ้าได้ดิบแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นนะฮะสีเขียวที่มาคล้ายคลายผ้าพันแข้งจำไหมกองอุตสาหะฮะเ้าเอามาทำเป็นกางเกงนะครับมันมันรู้สึกว่ามันคงทนเท้าหอนดีนะครับแค่ตัดผมสั้นนะครับทรงลานบินคล้ายๆล้ายกับ พระเจ้าตานะครับผมชงพระเจ้าตาดวงตาแกมีอํานาจมากแกมองผมนะครับทำให้ผมเนี่ยวิ่งหนีแกเลยนี่เป็นการฝันครั้งแรกนะครับเมื่อฝันครั้งที่สองผมฝันว่าผมมาดูลิเกนะครับแล้วผมก็เจอผู้ชายคนนี้อีกนะครับแล้วผมก็หนีจนสุกชีวิตจนกระทั่งโดดน้ําันโดกไปในน้ําเสร็จปรากฏว่าน้ำนั้นก็ใสสิผมต้องคลางขึ้นมาจากเอ่อกน้นคลองนะฮะแล้วก็มากราบเท้าแกแล้วบอกว่า ผมกลัวท่านเหลือเกินครับผมเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังนะครับว่าผมฝันอย่างนี้แล้วก็เจออย่างนี้แต่คุณแม่ก็บอกว่าผมคิดมากไปเนื่องจากว่าอาจจะมีการอดข้าวหรือว่าอดขนมไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นนะคุณแม่ก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าต่อไปไม่เป็นอย่างนั้นสิครับผมก็ฝันต่อไปอีกนะครับผมฝันว่ า, าบุคคลคนนี้นะครับเขาถามผมว่าต้องการอะไร ไ้ฟาร์มกลัวผมก็หนีแล้วผมก็ตกใจตื่นนะครับเขาก็บอกว่ามีอะไรก็ให้บอกเขาเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นในการฝันครั้งที่สี่นะครับผมก็เลยบอกเขาบอกว่าผมในยากจนเหลือเกินอยากจะมีข้าวกินนะครับให้มันอิ่มครบทั้งสามมือก็เป็นพอแล้วขนมคอนั้นไม่ต้องการนะครับแล้วก็ขอให้มีเสื้อผ้าเนี่ยใส่ ดีๆหน่อยนะครับเพราะขนาดนี้ผมนุ่มกับเกงตุดใบโพนะครับแล้วก็เสื้อนี่ก็ไม่มีใสเข็นขัดไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราใช้เชือกกล้ยเนี่ยผูกกันแล้วเราก็เล่นกันแบบตัวดำนะฮะแล้วขึ้เงย อ, ออกเงยไหลออไข ย, ย้อยเลยครับเมื่อเราฝันเช่นนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะรวยก็ขุดลงไปสิที่เรานอน อ, นอยู่นี่นะครับ ขุดลงไปแล้วก็คุณก็จะเจอสมบัติเองผมก็ตกใจตื่นก็เปิดมุ้งดูนะฮะพออ่อนลํานอนตรงนี้แล้วเรามีสมบัติตรงนี้ใช่ไหมผมก็ไปบอกคุณแม่ผมบอกว่าคุณแม่ครับตอนนี้เรารวยแล้วเพราะว่ามีคนเข้ามาบอกว่าที่ผมนอนอยู่เนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะคราวนี้คุณแม่ก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็บ้านเน่ยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆตู้ก็ยังใหม่ๆอยู่ที่กบอะไรก็เต็ไมไปหมดเลย ถ้าว่าลู่ขุดลงไปเนี่ยมันก็ทําให้พื้นปูนก็เสียหายแล้วก็คุณพ่อเนี่ยอาจจะมีความผิดนะเขาอาจจะไล่คุณพ่อไม่ให้อยู่ที่นี่ได้ถ้าเราก็จะต้องลําบากเพราะว่าเราไม่มีบ้านนะก็ขอให้ลูกคิดซะว่ามันไม่มีการด้านสมบัตินะนะเราจะไปคิดเลยความสมบัติมันจะมีขุดไปก็ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ต้พูดอย่างนี้ ผมก็เก็บไอ้ควรู้สึกอันนี้ไว้นะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมก็ฝันผมฝันว่าผมได้ขุดสมบัติลงไปในที่ที่ผมนอนนะครับเมื่อมอขุดลงไปเสร็จพับผมก็เจอตาน้ําไหลแล้วก็เจอพวกสังขาโลกนะฮะพวกถ้วยชามแบบโบราณ น, นะฮะมีสีสันสวยๆคล้ายๆถ้วยไฮโรนะฮะแล้วก็ถ้วยน้ําชานะฮะคล้ายๆถ้วยไฮโลเทเลเวินกันแล้วเราก็เจอ อ่ากระถางฮะกระถางซึ่งเป็นกระถางโบราณมากเลยนะครับในฝันเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเล็กลงไปประมาณสักอเมตรอ่า20เซนและเมตร30เซนนี้ผมก็ไปเจ อ, อเอาหายหายกระเทีย น, นะฮะประมาณสามหายซเมื่อผมดึงขึ้นมาทีละหายทีละหายนี่นะครับผมก็รู้สึกว่ามันหนักนะครับคนที่เขาบอกเขายืนอยู่ข้างบนนะแล้วก็บอกผมให้ผมเอาไหายเนี่ยทั้งสามนี่นขึ้นมา เขาบอกว่าที่ในหายเนี่ยจะมีเพชรมีทองมีหยกมีนินนินเยอะแยะเลยครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนี้ผมหยิบหายขึ้นมาหนึ่งใบก็พอดีปากไหายมันเปิดนะครับพอเปิดเสร็จทับเนี่ยนะครับไอ้พวกเพชรพวกแก้วพวกแหวนทองคําเนี่ยครับพวกหยกสีเขียวเนี่ยครับมันก็ไหลชอบตัวผมเต็มตัวเลยหมดนะครับผมก็ดีใจเหลือเกินฮะว่าเราเนี่ยจะไม่ยากจนนะ พอเราแงนหน้าไปดูคนที่เขาบอกให้เราขุดสมบัติทีนี้ผมก็ไม่เห็นเขาใชแล้วผมตกใจตื่นขึ้นมาผมก็ไปไปคุยคุณแม่นะครับแล้วบอกคุณแม่อีกครั้งหนึ่งว่าผมเนี่ยไปได้ขุดสมบัติที่ผมนอนคุณแม่ก็ใช้คําพูดเหมือนเดิมคือไม่สามารถที่จะให้ผมขุดได้นะครับระยะเวลาก็ผ่านไปเป็นปีนะฮะผมก็ฝันว่ามีคน คนคนนี้นะครับรูปร่างสูงใหญ่อย่างที่ว่าเนยนะครับมาบอกให้ผมขุดสมบัติตลอดเวลาคุณแม่บอกว่าจะไม่ให้ผมนี่แหละครับโม้แป้งไม่ให้ไปซื้อไก่มาพรมวัวพลาวแล้วก็พวกไปตองมาทำงานบ้านตอนเย็นนะครับถ้าหากว่าผมสอบเข้าโรงเรียนในร้อยจะปรอดได้ผมก็มีความาตั้งใจอย่างสูงสุดนะครับพยายามดูหนังสือหลังสองทุ่มสามทุ่มไปแล้ว แล้วก็ผมก็ประสบความสาเร็จผมเข้าเปน็นักเรียนเตรียมในร้อยรุ่นที่สิบแปดนะฮะในปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิเก้าและต่อจากนั้นผมก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยจตุร์ลอจนกระทั่งสําเร็จในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับในระหว่างที่ผมเป็นนักเรียนร้อยอยู่นี้นะครับผมก็ยังฝันนะครับถึงบุคคลผู้นี้อยู่ตลอดเวลาคือบุคคลผู้นี้จะฝันให้ให้ผมบอกให้ผมเนี่ยนะครับไปอ ไปกุดสมบัตินะครับแต่จนแลกจนรกผมก็ไม่สามารถจะขุดได้เพราะว่าบ้านช่องของที่ผมอยู่นั้นก็เป็นที่อาศัยของคนอาสาหารคนอื่นที่เข้ามาอยู่นะครับจบจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่ที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเก้าผมก็หาทอง นะครับผ่าท้องนี่ก็คือผ่าไส้ติ่งนี่เองนะครับเมือผมผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเนี่นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมผ่าไส้ติ่งผมก็ให้ลูกน้องเนี่ยครับไปรับตอนนั้นผมอยู่ที่สํานักงานปรับบัญชีกองทัพบกนะครับลูกน้องก็เอาลูแต่รับผมที่บ้านพักที่สะพานสุเมืองซี่เพราะผมไม่ได้ภรรยาอยู่ที่นั่นนะครับเป็นบ้านพักขององค์การของข้าหลวงฝรั่งนะครับเด็วก็รับผมแล้วก็ ข้ามจังทีแล้วก็ไปข้ามพระปิ่นเก้าก็ข้าวกระทรวงกลาโหมแต่ว่าวันนั้นนะฮะเข้าไปรับไปรับผมนะฮะเข้ามาทางทรรนียบรัฐบาลแล้วเขาก็ผ่านมาทางอบ้านผมคือพันสหมอทบาลหนึ่งที่ผมเคยอยู่ก็าปรากฏว่าบ้านผมนี่ทุกลึกลมหมดแล้วเพราะว่าพันธ์สหนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่กรมการสัตว์เก่าตรงพทยไทยนะฮะปัจจุบั น, บนนี้ที่อยู่ใกล้โรงยาบานสงผมเพิ่งรู้สึกดีใจมากนะครับว่า ผมได้คุณสมบัติผมสักทีเพว่าผมฝันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวันอพอวันที่พอวันที่สองนะฮะพอวันที่สองมิยอ 1, 9่เก้าผมก็ได้เตรียมะฮะข้าวของที่ใช้ในการขุดไปอย่างพ้อมมูลเลยนะครับผมก็ไปกะ ว, ว่าไอ้ตรงไหนที่เป็นที่ผมเคยนอนอยู่ผมก็คิดว่าตรงนี้แหละใช่ แล้วผมก็ทำเครื่องหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เขาขุดนะครับที่ที่ผมเห็นสมบัติของผมโดยใช้ทูปเนี่ยฮะสามตอแล้วก็บอกว่าท้ า, าเจ้าอันตีสนะจินดษร์ตนะครับจะมาขุดสมบัติที่ท่านบอกผมไว้ขอให้การขุดในครั้งนี้ขอให้ผมเจอสมบัติของผมด้วยเสร็จแล้วผมก็ทำพิธีขุดนะฮะโดยเอาไอ้รั่วนะฮะขุด ในลนักษณะของขุดกรอกนะฮะเพราะว่าเราขุดเองก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังเจ็บท้องอยู่เพราะเราผ่าเสื้อติงมาใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เด็กอายุสิบหกปีนะครับจ้างเขายี่สิบบาทเด็กก็เป็นลูกของอ่าเนีเด็กเป็นลูกของอ่าในสิทธ์สาวัดทะไรนั่นนะครับให้เขาขุดให้เพราะว่าเขาแข็งแรงนะครับ ผมบอกไปให้เขาขุดนะครับเขาก็ขุดไปตามที่ผมฝันทุกอย่างก็ปรากฏว่าพอขุดไปได้ครึ่งตัวก็มีน้ําไหลแล้วก็ได้พวกถ้วยชานะฮะแล้วก็ได้อะกระถางทูบนะฮะเก่าๆแต่ว่ามันแตกนะฮะปากมันแตกนะแล้วของต่างๆเหล่านี้ผมก็เก็บไว้ที่ศาลที่ในกองประชาการของทัพภาคที่หนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะครับของต่างๆเหล่านี้มีที่ศาลนะครับ คราวนี้เมื่อขุดไปเสร็จทับเด็กก็บอกว่าไม่เจออะไรผมบอกให้ขุดลุกยงไปอีกเมื่อเด็กขุดประมาณประมาณสักเมตรยี่สิบเซนนะครับคามลึกน้ําก็ขึ้นมาตึงท่วมตัวเด็กบอกว่าได้เจอสมบัติแล้วผมก็ดีใจครับว่าเอ๊ะทำไมเจอสมบัติเร็วเหลือเกินผมนึกว่าผมจะได้แก้แหวนเงินทองตาในของขันแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาเด็กบอกว่าสมบัตินั้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นแก้แหวนเงินทองแต่ว่ามันเป็นหัวกะโหลกคนที่ใหญ่มากครับ ผมบอกนั่นแหละครับเป็นสมบัติผมให้เอาขึ้นมาให้ได้เด็กก็พยายามขุดนะฮะเอาส่วนต่างๆของอ่าของคนเนี่นะครับของมนุษย์เนี้ยเอาขึ้นมานะสังเกตว่าเป็นกระดูกที่ใหญ่โตมากนะครับเป็นกระดูกที่ใหญ่โตมากนะครับเด็กขุดไปก็ได้ทั้งหอยปลาได้ทั้งซี่โครงได้แขนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ขุดไปแล้วก็ไม่เจออะไรผมก็เลยยืนขึ้นนะฮะ ตอนต้นเวลาบ่ายสองโมงแนละ้วผมก็ยืนขึ้นเพื่อให้เงาเนี่ยมันทอดไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมฝันนั้นผมผมฝันเห็นผู้ชายคนนี้ยืนนะฮะแล้วผมก็ขุดตามเงาเขานะครับเมื่อผมขีดเส้นใหม่นะฮะขีดแนวใหม่ผมก็ให้เด็กขุดเด็กก็ขุดได้หมดเลยนะฮะในส่วนของขาอีกสองข้างเพราะนั้นสมบัติของผมเนี่ยก็ได้เป็นโครงกระดูกที่หอใหญ่มากเลยนะครับผมก็เอาน้ํากอกเนี่ยครับมาล้างล้างกระดูกนะให้สะอาด สร็แล้วผมก็ไปซื้อน้ำอกไทยนะฮะที่ดังเลิงแล้วก็ซื้อผ้าขาวแล้วก็ซื้อดอกบลิกมาเสร็จแล้วผมก็อันเชิญกระดูกนี่นะครับเข้าหอแล้วผมก็เอากระดูกทั้งหมดนี่นะครับมุ่งไปว่าเป็นจะเพื่อทําพิธีให้ถูกทางศาสนาเมื่อผม ไ, มไปเป็นจะนะครับท่านเจ้าคุณนะครับท่านก็ บ, บอกว่าอ่าที่นี่ไม่ได้เผาศพนะครับแล้วก็ทําพิธีทางด้านนี้ไม่ได้ ก็ขอให้ผมเนี่ยฮะไปที่วัดที่อยู่ใกล้บ้านสามารถที่เขาทาที่เขาเผาศพนะฮะว่างันแวงไงผมก็บอกว่ามีครับผมอยู่ใกล้วัดพาสูบางซื่อนะฮะวัดธรรมมาพิลาตารามท่านแนะนําให้ผมไปตอนนั้นเวลาก็ประมาณจะเกือบทุ่มหนึงแล้วผมก็ไม่เคยไปนะฮะว่าวัดอ่าพานสูบางซื่อเนี่ยครับว่าว่าเจ้าอาวาสเนี่ยท่านท่านอยู่ที่กุฏิไหนหรือว่าอาคารหลังไหน แต่เชื่อไหมครับผมเนี่ยฮะเดินตรงไปที่กุฏิของเจ้าอาวาสเลยนะครับผมไปถามเด็กบอกว่าเจ้าอาวาสอยู่ที่ไหนผมมีเรื่องเด็กร้อนที่จะมาขอความช่วยเหลือนะครับเด็กก็บอกว่าเราหาด้านหลังสิครับเราเดินขึ้นมาได้ไสามขั้นตอนนี้แขกท่านคงจะหมดทลระแล้วนะครับเพราะผมมีแขกชาวจีนสองคนมาหาท่านผมก็หาหลังแล้วผมก็เดินขึ้นไปก็ไม่เจอเจ้าอาวาสว่าสะพานสูงบังซื่อก็ดีนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่้องจองกันมาก ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับ แล้วเมื่อเมื่อผมขึ้นไปแล้วผมก็เล่าเรื่องต่างๆนี่นะฮะให้จเจ้าวาดวภัฒนพานสูงท่าน <c oughs> ฟังนะครับผมบอกว่าทำยังไงนะครับให้ถูกพิวิพิธีทางสงฆ์ถูกศาสนานะครับาผมกลัวเหลือเกินนะครับแล้วก็บุคคลที่มาเข้าฝันเนี่ยเขาคงจะจะไปเกิด น, นะครับท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปเผาหรอกนะครับ พรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับให้ทําบุญใส่บาตรพระหนึ่งองค์เสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ปัดใจจำนวนหนึ่งมหาฉันที่นี่แล้วก็ฉันจะบังสกุลให้ก็เป็นสิจพิธีเมื่อผมได้รับคาแนะนําอย่างนี้จากท่านจเจ้าอาวาสผมก็กลับบ้านและตอนเช้าผมก็ทําตามที่ท่านสั่งทุกอย่างตอนนั้นผมก็มีเงินอยู่หกสิบบาทนะฮะผมก็เอามา เป็นปัจจัยและถวายท่านท่านก็บังสกุลให้กระดูกนี้นะครับท่านก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกระดูกที่ท่านจะเก็บไว้เองนะครับกระดูกนี้ก็ใหญ่มากนะครับเรื่องนี้ผมได้ไปคุยกับพ่อใหญ่นะฮะคือพระเทศมุนีที่เป็นจเจ้าว่าเป็นจมัมมะบ่อผิดเนี่ยท่านบอกว่าวิญ ญ, ญาณเขาอยากไปเกิดแต่ว่าเข้าไปเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครช่วยขุดเ้าขึ้นมา แต่เขาเห็นว่าเราเนี่ยพอจะช่วยเขาได้เขาก็เลยมาอภิญญาหารให้เราเห็นแต่เราได้ทำแล้วเนี่ยก็เราก็รู้สเราสู้สึกสบายใจเมื่อไเรารู้สึกดีเมื่อไหร่ท่านว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปห่วงอะไรกันแล้วบันี้เขาไปเกิดแล้วผมก็พยายามจุดทูปจุดเทียนนะครับพยายามบอกนะครับบอกว่าท่านผู้มีพระคุณนะฮะที่มาหาผมะที่ฝันเข้าฝันผมตลอดเลยเนี่ยนะฮะ ได้ไปคุดไปเกิดหรือยังถ้าหากว่ายังก็ขอให้มาเข้าฝันผมด้วยเพื่อว่าผมจะได้ทำในทางที่ถูกที่ควรต่อไปนะครับจนแล้วจนรอดนะครับหลังจากนั้นมานผมไม่เคยฝันเห็นบุคคลุ่นนี้อีกเลยนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดกับท่านว่าวิญญาณนั้นมีจริงและสามารถที่จะติดต่อกับพวกเราเนี่ยฮะที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ พวกเราเนี่ยนะฮะที่จะรับการติดต่อจากเขาเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลบ้างพอสมควรเขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถจะช่วยเขาได้นะครับเหมือนเราเหมือนเหมือนอย่างตัวอย่างอย่างเช่นเราเนะะี่ยจะไปยืมเงินกับคนที่เขาไม่มีเงินเนี่ยเราจะไปยืมไหมครับเราก็ไม่ไปยืมใช่ไหมฮะเราต้องไปยืมกับคนที่เขามีเงินเราถึงจะได้เงินใช่ไหมครับวิญญาณคนคนนี้นะครับเราไม่ทราบว่าเขาตายมาแล้วกี่ปี นะครับเราเราไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าอกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งนีฮะเขาจะวางศาลิลาฤกษ์ในการที่จะสร้างบกก อ, องทัพขึ้นมาที่แห่งนี้ถ้าหากว่าเขานี่นะครับไม่มาเข้าฝันบอกให้ผมขุดเขาขึ้นมาทาพิธีซะก่อนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะไปเกิดได้เนื่องจากว่าถ้าการวางศาลิลาฤกษ์นั้นวางไปแล้วนะครับและจะทพิธีศาสนาไปแล้วเนี่ย วิญญาณที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้จะไม่สามารถผุดผิเกิดได้เลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งมีพระแล้วก็มีผู้รู้หลายท่านยืนยันมาแล้วครับว่าที่ผมพูดนี้เป็นความจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังนะครับเป็นเรื่องแรกสาหรับเรื่องต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องนะครับ ที่คุณแม่ก็เล่าให้ผมฟังว่าการทําบุญนั้นทําอย่างใดก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําบุญอะไรก็ตามแต่เราควรจะทําในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นของที่ดีนะครับทําอาหารก็อาหารที่ดีขนมที่ดีผลไม้ที่ดีเลยอย่าไปทำของที่มันไม่ดีเพราะว่าขอ ง, งต่างๆอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยฮะเราก็จะต้องไปกินเพราะฉะนั้นเราต้องทําของดีเพื่อจะได้มีกินที่ของดีครับ คุณแม่ก็เล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับว่าเมื่อตอนสมัยที่คุณแม่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับแล้วก็ไปเล่นน้ากันที่แถวเมืองนนนะฮะสมัยก่อนนี่พระเนี่ยเวลาท่านจะบินตาบาทท่านก็พายเรือไปนะครับแล้วคนใส่บาตรก็จะอยู่ตามอตามตามริมฝั่งแม่นั้นเจ้าพยาเนี่นะครับก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นคนจีนนะฮะได้ภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวสวน ตอนดอยช้าภรรยาแกก็ทําบุญใส่บาตรทุกวันนะครับจนตัวสามีที่ที่เป็นคนจีนนั้นแกก็ไม่ได้ใส่บาตรแกก็ค่อนแคะทางภรรยาตลอดเวลาเลยครับว่าอ่าเอาแต่ใส่บาตรเนี่ยไม่ไหวเจ้าเลยอย่างนี้ตายไปแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์แกก็พูดทั้งแกไปเรื่อยๆนครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็จต่ทางภรรยาก็พาลูกนะครับไปเยี่ยมยายก็ ก็วันนั้นก็ไม่มีใครใส่บาตรนะฮะพระท่านก็มามาบิณฑบาตปกติท่านก็พายเรือผ่านหน้าบ้านนี้ไปเที่ยวสองเที่แล้วปรากฏว่าก็ไม่มีใครมาใส่บาตรนะครับตัวแปะนั้นก็กําลังล้างกล้วยดิบอยู่นะครับก็ลาคาญก็บอกว่าวันนี้ไม่มีการใส่บาตรหรอกเพราะว่าคนใส่บาตรไม่อยู่บอกว่าให้รีบกลับถ้า้ว่าให้พระเนี่ยขับบ้านกับวัดซะนะครับตอนนี้พระท่านก็ท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายตลบนะฮะ ไปจะกลับนะฮะแปะนี่ก็เลยลำคาญก็เลยเอากล้วยดิบนี่นะครับใส่ไปที่หลังท้ายเรือเรือบดนะฮะของปละพาก็กลับวัดไปก็อยู่มาอีกไม่นานนะครับแปะนี่แกก็ไม่สบายนะครับไม่สบายแล้วแกก็สลบไปนะครับใน้ะหว่างที่แกสลบไปนี้แกก็บอกว่าแกไปพบคนจนุนมากนะครับหน้าตาแปลกๆยืนคุยกันแล้วบางคนก็กินข้าวกัน น, นับเป็นปเวลาเปบายกบแก่ๆแล้วนะครับแกจะบอกว่าแค่หิวข้ามากแกก็พยายามนะครับไปถามเขาบอกว่าอาหารของเขาเนี่ยมีไหมเขาอยากจะกินเพราะเขาหิวทุกคนก็สั่นหน้าฮะบอกว่าไม่มีอาหารแปะไม่มีหรอกนะครับแป้ก็พยายามนะฮะเพราะความหิวก็เดินไปตามกลุ่มคนต่างๆนะฮะที่ยืนกินข้าวคนอยู่ก็มีคนสามคนนะครับบอกว่า เขาเห็นอาหารแป๊ะนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเขาชี้ไปอีกแห่งทางนู้นนะฮะทึ้งมีคนอยสามคนฮะยืนเป็นกลุ่มอยู่นะฮะคนเหล่านี้เขากินข้าวอยู่แป๊ะดีใจมากเขาก็จะได้ได้กินข้าวแปะก็ตรงไปเลยนะครับแล้วก็ถามคนทั้งสามว่าเห็นอาหารของเข้าวไหมไหมอยู่ที่ไหนคนทั้งสามก็ชี้ไปพื้นดินข้างล่างนะครับแล้วบอกนี่ไงล่ะอาหารของแป๊ะ แป้งก็มอไปข้างล่างนะครับก็ปรากฏว่าอาหารแป้งก็คือกล้วยดิบนะครับเพราะว่าแป้งที่ทําบุญด้วยกล้วยดิบมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแป้งก็ได้กินกล้วยดิบครับจะกินไปแล้วแกก็ร้องไห้ไปเพราะว่ากล้วยไม่ให้กล้วยสุกนะฮะก็กล้วยดิบนะฮะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล่านะครับของคุณแม่ที่เล่าให้กับผมซึ่งเป็นบุตรนะฮะฟังเวลาก่อนนอนนะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่อง เรื่องหนึ่งนะครับว่าการทําบุญอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับถ้านอาจจะสงสัยนะฮะว่าการทําบุญเนี่ยอ่าเขาทำกันอย่างไร <c oughs> ผมอยากจะบอกนะฮะว่าในทางศาสนานั้นการทําบุญนั้นมีอยู่สามอย่างเดียวกันคือหนึ่งทานสองศีลสามภาวนานะครับไอเรื่องศีลภาวนานั้นอ่ะผมไม่ไม่ไม่เจนจัดและขอผมไม่รู้จริงเพระผมอยากจะผ่านไป แต่ผมจะพูดถึงเรื่องการทำบุญนะฮะนะฮะการทำบุญที่เลวะทานนะครับการทำบุญที่เลวะทานนั้นเราทำได้เป็นสองลักษณะลักษณะหนึ่งเราทำกับพระภิสุสงฆ์อีกอย่างหนึ่งเราก็ทำกับมนุษย์หรือสัตว์นะครับที น, นี้การทำบุญกับพระสงฆ์นั้นก็มีด้วยกันหลายวิธีวิธีแรกก็เป็นวิธีที่ทั้งท่านทั้งหลาย ก็ได้ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำนะฮะการทาบุญใส่บาตรยังไงครับท่านการทาบุญใส่บาตรนี่นะครับเป็นการทาบุญที่เรียกว่าง่ายประหยัดแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับเรามีข้าวนะครับเรามีาแกงแล้วก็สามารถที่จะทบุญได้แล้วนะครับแต่ถ้าเรามีเงินมากนี้แล้วก็เพิ่มอาหารขึ้นไปหลายๆอย่างก็ได้นะครับแต่ท่านเชื่อไหว่าพวกเราทาบุญเนี่ยฮะเราไม่เคยใส่น้า เราทำอาหารข้าวหวานน้ำเราไม่เคยใส่บางท่านนี่นะครับอาจจะลืมไปอีกอย่างนึ่งคือมายความว่ า, าเมื่อเมื่อทำบุญใส่บาตรแล้วกลับมาบ้านเนี่ยก็ไม่ได้กรวดน้ำนะครับไอ้ที่ผมพูดนี่เพราะว่าผมเห็นว่าการทำบุญนะฮะใส่น้าแล้วก็กรวดน้ำเนี่ยมันสำคัญมันจำเป็น ถามว่าถ้าเราไม่กรวดน้ำเนี่ยผลบุญที่เราทำไปเนะี่ยตกอยู่กับใครผมก็อยากจะบอกว่าผลบุญนั้นถ้าตกอยู่กับตัวท่านเองนะครับตัวท่านเองนหครเป็นคนได้คนอื่นไม่ได้เลยแต่ถ้าหากทั้งกรวดน้ำละ่ะจะมีผลอย่างไรถ้าท่านกรวดน้ำเนี่ยมันจะมีผลคือการที่เราเนี่ยนะครับทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราไปแล้วเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับ แล้วไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะครับปู่ย่าตาชวดเนี่ยที่เราเคยฝันเห็นนะครับมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะเสื้อผ้าไม่ใส่ผมเเผวไม่ like คนโบราณปรากฏให้เห็นไม่พูดไม่จาทั้งสิ้นบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับเขายังอยู่ในภพของฟาร์มลำบากนะครับในภพของฟาร์มลำบากเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาปรากฏตัวนะฮะในฟาร์มฝันของเราเนี่ยมันหมายความว่าอะไร หมายความถึงเขาขอความช่วยเหลือจากเราให้เราเนี่ยฮะทำบุญกุศลไปให้เขาเพราะเขาเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับว่ า, อาขอให้ลูกหลาน <c oughs> เหล้นหลนของเขาเนี่ยทำบุญให้เขาด้วยเขาพูดไม่ได้เพราะว่าเมื่อเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณเขาเนี่ยจะอยู่ในความควบคุมของผู้มีอำนาจในโยมโลกนะฮะในโลกมนุษย์แอ้ในในโลกสวรรค์หรือว่าในโลกของนรกนะครับ นี่เราพูดถึงเรื่องการทำบุญแต่เราพูดถึงนรกทั้งสวรรค์แล้วนะครับเราเริ่มเข้าในเรื่องของนรกสวรรค์แล้วสิ่งต่อไปท่านจะได้พบกับเรื่องต่างๆนี้นะครับมากขึ้นนะครับแต่ในแต่ในช่วงนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการทำบุญซะก่อนนะครับการทำบุญนี่ไม่จําเป็นเลยนะครับว่าเราจะต้องทำบุญด้วยข้าวเราอาจจะทำบุญด้วยด้วยเงินก็ได้นะครับด้วยเงินก็ได้ นอกจากนี้ถ้าเรามีเงินน้อยเนี่นะครับเราไม่ทําบุญด้วยข้าวก็ได้เราทาบุญด้วยพวกอาหารสําเร็จรูปก็ได้ครับเช่นปลาตั้งโง่ชะลเปลานะครับก็ได้ครับเพราะเรามีเงินอยู่บาทเดียวสองบาทนี่แล้วก็ต้องใช้การทําบุญในลักษณะที่เรียกว่าค่อนข้างประหยัดนะครับผู้วิจารณ์ท่านบอกว่าการทําบุญนะฮะในลักษณะของฟุง่มเฟื่อนั้นท่านไม่สนับสนุนการทําบุญแล้วทําให้ญาติ ที่น้องนะฮะบุตรภรรยาต้องอดอยากก็ถือเป็นบาปการทําบุญแล้วทให้ไม่มีเงินนะฮะในการใช้จ่ายในการรักษาอ่าตัวเวลาป่วยเจ็บไข้นั้นก็ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบาปอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งท่านบอกว่าไม่ควรปฏิบัตินะครับมีน้อยก็กวรทําน้อยมีมากก็ทํามากแต่ว่าอย่าให้เดือดร้อนของผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองนุอุปอกาลละเป็นเด็ดตอนนี้ท่านบอกว่า ท่านอาจจะสงสัยว่าการตรวจน้ํานี่ถ้าหากว่าตรวจแห้งจะได้ไหมก็ขอตอบว่าตรวจแห้งไม่ได้ต้องตรวจ ด, ด้วยน้ํานะครับเพราะว่าการตรวจน้ําด้วยน้ํานั้นเป็นการทําเป็นการแผ่กุศลให้ครบวงจรนะฮะจากพื้นโลกเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยใช้น้ําเนี่ยฮะเป็นสื่อในการที่จะติดต่อ แต่กุศลนี้ไปให้กับผู้ที่อยู่ในในรกในสวรรค์ดังนั้นการกรวดน้ําจริงต้องกระทํานะครับแต่ว่าท่านอาจจะแย้งนะครับวา่าผมยังไม่ได้บวชเรียนมาเขาท่องอิมินาไม่ได้หรือเป็นผู้หญิงนะฮะหรือ ไ, ไม่ได้บวชเลยเหมือนกันหนังสือเขาอ่านไม่ออกนะครับก็ะจะทํำยังไงลนะ่ะ ถ, ถ, ถึงจะทําทให้ถูกต้องผมก็ขอแนะนําว่า การกรวดน้านะครับก็กรวดน้ากันแบบภาษาไทยนี่แหละครับเพราะว่าการกรวดน้าของพระท่านนั้นนะก็ให้ว่าท่านว่างท่านไปนะครับพอพระท่านว่าจะถาสัตทีเราก็เริ่มนะฮะแล้วก็เริ่มพูดนะฮะว่าข้าพเจ้าผันเอกสสนจินรักขออุทิศส่วนกนุศลอันมีข้าวแกงประดุกแกงปลาไหลฮนะไข่เคียวไข่ดาวหมูสับ นะครับหมูทออติพิษไทยนะแล้วก็น้ำข้าพเจ้าขอวทัทถีส่วนกุศลต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับคุณพ่อพันตีเลื่อนจินตลักษณ์คุณยายนางล้วนสุสวัติชนแม้ว่าท่านอยู่ในภพใดก็ตามขอให้รับไอ้ผลบุญอันนี้ด้วยแล้วพูดแค่นี้ก็พอครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำนี่นะครับไปลดลง นะครับเราลดลงนะฮะเอาน้ำนี่นะครับที่เราลินจากแก้วนะฮะเอาลินจากแก้วใส่ขันนี่นะครับเราก็ไปลดลงที่แผ่นดินนะฮะที่มีการซึมซาบได้อันนี้ก็เป็นการครบวงจรนะฮะในการทำบุญใสบ่บาตตอนเช้าแล้วบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้านหนูมีกระถางต้นไม้อยู่บนตึกห้าชั้นแล้วก็หนูจะจ ะ, จะกวดน้ำ ชั้งบนได้ไหมบอกว่าไม่ได้นะครับเราจะต้องลดน้ำหรือพันดินที่มีการซึมซาบนะครับอันนี้อขอให้ท่านทําโดยอเป็นกิจวัตรนะครับคือเมคํา ว, ว่าใส่บาต ท, ทุกวันแล้วก็ต้องกรวดน้ําทุกครั้งด้วยแม้ว่าท่านจะลืมไปในตอนเช้านะครับตอนเย็นกลับมาก็ขอให้ก็ขอให้ใ ห, ให้กรวดน้ำเถอะครับถึงแม้มันจะมืดจะข้ามไปหน่อยก็ยังดีนะครับภายในวันนั้น เขาก็ให้กรวดน้ํากันไปสิ่งที่ผมพูดนี้นะครับมันมีผลนะครับในการที่จะช่วยส่งผลบุญคุณสนอันนี้ไปให้กับบรรพุทธที่ตายไปแล้วที่เขาอยู่ในภพหน้าเมื่อท่านใส่คําคบุญใส่บาตรไปตอนเชา้าบรรพุทธของท่านนะครับอันจะมีปูนะฮะปู่ทดย่าททษนี่นะครับเยอะแยะหมดเลยที่เราไม่เคยรู้จักเพราะเราไม่เราเกิดมาเราไม่เคยเห็นคนเหล่านี้เลย เขาตายไปก่อนแล้วเนี่นะครับเขารู้ว่าท่านเนี่ยฮะเป็นสายเลือดของเขาทําบุญให้เขาเนี่ยเขาดีใจมากนะครับเขาจะออกมาจากลือบอันหนึ่งนะครับหลือพี่มันก็เหมือนกับไปแผ่นฝาผนังตึกเนี่ยนะครับแต่เขาออกมาได้ย่างไงไม่รู้นะฮะเขาเดินจูงมือกันออกมานะฮะสี่ชั้นสี่ห้าคนบางทีผมก็เห็นเจ็ดถึงแปคนก็มีเดินจูงมือกันมานะฮะแล้วก็ไปหน้าเขาเนี่ยอิ่มเ อ, อิบเต็มไปด้วยอ่า ความสุขนะฮะหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะต่อกสิกมากเลยเขาจะมานั่งนะฮะตรงหน้าอาหารที่ท่านทำไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็นั่งรอจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งเวลามันผ่านไปร่วมเลยนะฮะภาคขันเทนแล้วตะวันก็คลอยไปแล้วนะฮะปรากฏว่าท่านก็ยังไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามถึงพวกเขาเลยฮะที่จะให้เขาเนี่ยฮะ ได้ทานอาหารหต่างๆที่คุณได้ทำมาตอนนี้นะครับอำนาจอลึกลับที่คอยประครับตัวเขาอยู่ข้างบนโลกของยมโลก น, นะครับ mm hmm. เขาก็จะให้พวกหลักการเหล่านี้กลับไปที่เดิมใครมาจากไหนก็กลับที่นั่นตอนนี้นะครับผมเห็นบุคคลต่างเหล่านี้นะครับร้องไห้เ ส, เสื่อเสื่อนนะฮะเป็นที่น่าเวทนามากเพราะว่า เขาไม่ได้กินอาหารของบรนผลุคือลูกของเขาเองหลานเขาเองดีนะฮะเขาก็เดินจูงมือกันแล้วก็หายเข้าไปในหลุมครับเป็นที่น่าทุกข์เวทนามากนะครับเราเห็นคนท้วสาวร้องไห้เนี่ยมันก็น่ารักดีนะครับแต่ถ้าหากเห็นคนแก่แก่อายุเจ็ดสิบแปดสิตล้องไห้แล้วก็ผ้าเช็ดน้ําตาเนี่ยท่านลองคิดภาพดูสิครับว่ามันน่าสงสารแค่ไหนครับ เพราะนั้นผมอยากจะเน้นนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายผมอยากจะให้ท่านเนี่ยกรวดน้ำทุกครั้งนะครับในการทำบุญมันไม่เสียเวลาอะไรมากมายหรอกครับท่านพยายามทานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมพูดต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นจริงครับวันพระฤกของท่านนะฮะจะดีใจนะครับเมื่อเขาอยู่ในขุมโลกไหนก็ตามเขาก็ยังมีกินนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่ง การทําบุญเนี่นะครับทําให้เขาเนี่ยมีสภาพชีวิตดีขึ้นนะครับขอท่านเชื่อผมนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการทําบุญใส่บาทไปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะบอกว่าการทําบุญไม่ได้มีอย่างนี้อย่างเดียเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็บอกกาใช่การทําบุญที่ว่า น, นั้นก็คือการทําบุญสังฆทานการทําบุญสังฆทานนั้นนะฮะเราจะต้องใช้เงินซึ่งเป็นเป็จใจนะฮะในการที่จะทําบุญเนี่ย มากขึ้นไม่เหมือนกับการทำบุญสายบาตรที่ผมพูดไปแล้วการทำบุญที่วิธีสังฆทานนี้เราต้องนิมนต์พระมาในกรณนนีที่เรานิมนต์พระมาตั้งแต่หกโมงเช้านี่นะครับต้องเข้าใจนะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ไปบิณฑบาตเพราะฉะนั้นเราค่อยจะต้องเตรียมอาหารเชา้าแล้วก็อาหารเทนี่ท่านด้วยนะฮะนอกเหนือจากอาหารแห้ง นะครับแล้วก็ของใช้ของสงที่เราต้องทํำพิธีสังฆทานนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องกวดน้ําอยู่ด้อยกันนะครับต้องกรวดน้ําด้วยนะครับอันนี้ขอเน้นนะครับต้องกวดน้ําด้วยนะครับต่อไปนะครับการทําบุญวิธีต่อไปก็คือการเลี้ยงพระเก้าองค์แล้วนี่มณพระเก้าองค์มาที่บ้านนี่นะครับมาเลี้ยงพระเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงใช่ไหมฮะเพราะว่า เราเลี้ยงพระ9ก้าองค์นะฮะเราต้องใช้ปัจจัยเพิ่มนะฮะดังนั้นการที่เร า, าจะทำบุญประเภทนี้เราต้องดูปัจจัยของเรานะฮะว่าเราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนเพราะนั้นโอกาสที่จะทำอย่างนี้นะครับก็ทำได้ไม่บ่อยนักคือปีหนึ่งเราอาจจะทำสักสามครั้งหรือสี่ครั้ง หรือว่าหนึ่งครั้งก็ได้เช่นวันตายของคุณพ่อวันตายของคุณยายหรือว่าวันเกิดของตัวเองวันเกิดของลูกสาวลูกชายแล้วว่าภรรยาแล้วหรือว่าเป็นเป็นวันขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้นะครับแล้วก็หาเหตุในการที่จะทําบุญเรียงพระก้าองค์นะครับหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าการทําบุญนั้นก็มีแค่สามอย่างแต่ความจริงไม่ใช่ มีการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และได้ผลกุศลมากที่สุดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการบวชพระผู้ชายทุกคนนี่นะครับเมื่ออายุครบบวชนะครับคือวันลุตุติภาวะแล้วเนี่ยยี่สิบปัญหายี่สิบปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะแล้ก็ต้องบวชทุกคนนะครับแต่บางคนเชื่อไหมครับอายุห้าสิบก็ยังไม่ถึงเกณฑ์บวชเลยเนื่องจากผัดวันประกันพุ่งไปนะครับก็ จนกระทั่งมีลูกมีเต้านะฮะเป็นพ่อบางคนเป็นหลานก็นีฮบวชเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงตาไปหลวงปู่ไปอะไรทานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่า <c oughs> เรานะครับมีความพร้อมนะฮะทุกอย่างแล้วก็ไม่มีภาระอะไรนั้นควรจะบวชนะฮะหนึ่งภาษานี่ก็ไม่มากเลยนะครับผลผลกรรมราการที่ท่านบวชนี่นะครับ จะส่งท่านนะฮะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นสองนี่ผมพูดถึงสวรรค์ลแล้วนะครับท่านบอกเออสวรรค์นี่คงจะมีหลายชั้นใช่สวรรค์มีหลายชั้นนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้นฟังว่าสวรรค์มีทั้งหมดกี่ชั้นและเขาแบ่งกันเป็นยังไงนะครับคราวนี้อาการทําบุญนะฮะวิธีนี้นะครับมันสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่ า, เ, าเราจะต้องจัดหานะครับของหลายอย่าง แต่เราก็จะต้องทำนะครับเพราะว่าการบวชนี่นอกจากว่าเราจะบวชให้ทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วที่ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เท้าเท่าฝ้าหอยจนกระทั่งเราโตขึ้นมานะฮะมีลูกมีเมียและบวชเลี้ยงได้เนี่ยก็ถือว่าเราได้ทดแทนพระคุณท่านนะครับเพราะนั้นเราต้องพยายามบวชให้ได้นะครับแล้วการบวชนี้เราก็ถือว่าเป็นอานิสงส์งที่สูงที่สุดแล้ว นะครับในทางพุทธศาสนาของหลังนะครับส่วนการที่บอกว่าเป็นอริสง์ที่สูงสุดนั้นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่หลังทีทีนะครับการทําบุญนะครับวิธีนี้นะครับท่านฟังถ้ากระสงสัยว่าแล้วดิฉันที่เป็นผู้หญิงเลยคะก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ทั้งสองบนผู้ผู้ชายเข้าหนาสิกมีครับมีผมจะแนะนําให้นะครับว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะบวช แล้วก็ได้ผลบุญท่ากับผู้ชายเหมือนกันนะครับผมขอแนะนำดังนี้นะครับเวลาผู้ชายเนี่ยนะฮะขบวชนะครับท่านก็เตรียมดอกไม้ทูกเทียนไปแล้วก็หาปัจจัยไปสักเล็กน้อยนะครับอย่าง0ี่สิบบาทสาสิบาทห้าสิบาทร้อยก็แล้วแต่กฮะกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคลเหมือนกันแล้วก็แต่อะแต่สรัทาด้วยนะครับท่านก็เดินนะครับเดินอธิษฐานไปตามนาคเนี่ยนะครับ เมื่อเวลานาคโดยโบดเวียนโบดสามรอบแล้วก็เวียนด้วยสามรอบนะครับเมื่อนหน้าเป็นพระเราก็เอาดอกไม้ปัจจัยที่เราเตรียมมาเนี่ยนะครับดอกไม้ทุกเทียนนี่นะครับปัจจัยเนี่ยเราก็ถวายท่านไปเลยในระหว่างที่เราถวายไปนี้นะครับเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วเราก็แผ่กุศลไปให้ใครบรรลุลุดของเราทั้งหมด นะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็เอาตระกูลของเรานะครับตระกูลจินตลัตตระกูลสุสวัสรีชนก็ว่าไปอันนี้นะครับผลอันนี้นะครับสูงส่งมากแม้ว่าบรลบุถุของท่านนั้นจะอยู่ในภพใดก็ตามตกทะลุกในคุ้มแปดคุ้มเจดคุ้มหกคุ้มห้าอะไรก็ตามก็สามารถที่จะได้รับผลบุญที่ท่านทําไปในวันนี้ท่านเชื่อหรือไม่ครับไม่ยากเลยนะครับในการทําบุญอย่างนี้เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าถ้าหากว่าถ้าท่านทําได้ก็ขอให้ท่านทําผมกลับมานิดหนึ่งครับว่าในการอทําบุญใจบาสนี่นะครับนอกจากเน้นในเรื่องการกรวดน้ำแล้วนี่นะครับผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอุทิศส่วนบุญนะให้กับอ่าบรรพบุรุษเราต้องเน้นนะครับเน้นต้องพูดด้วยนะครับว่าขออุทิศส่วนบุญให้กับ คุณพ่อคุณแม่ในชาติก่อนด้วยอันนี้ผมลืมไปนะครับเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อชาติก่อนของเราเนี่ยอาจจะเป็นปลาก็ได้นะครับอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานยังใดย่างหนึ่งกได้ที่เราก็เกิดมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าท่านอาจจะมีกรรมมากกว่าเรานะครับการที่เราแผ่กุศลไปให้ท่านในชาตินี้ข็ อ, อ จ, จะช่วยให้ท่านหนีพ้นทุกนะครับให้พ้นพ้นทุกสภาพของสัตว์เลื้อยคลานไปได้นะครับ เราก็พยายามนะครับพยายามกดน้าไปให้คุณพ่อคุณแม่ในชาติก่อนด้วยนะครับคราวนี้ผมพูดถึงเรื่องการทบุญกับพระไปแล้วคราวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการทำบุญกับมนุษย์บ้างนะครับการทบุญกับมนุษย์นั้นนั้นก็เราก็รู้กันอยู่นะฮะมนุษยท์ทั่วไปนั้นก็ที่เราจะช่วยนั้นก็เป็นผู้ที่ายากไร้หนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่สมประกอบมีร่างกายทุการ พวกนี้เราจะต้องให้ความช่วยเหลือเขาบ้างนะครับเป็นครั ง, งคราวตามแต่ศรัทธาและกําลังทรัพย์ของเราที่จะมีนะครับแต่ที่ผมจะพูดเนี่ยมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการทําบุญนะฮะกับบิดาและมารดาก็คือคุณพ่ อ, อคุณแม่นี่นะครับหรือผู้มีอุปการะคุณผู้ที่มีพระคุณเราเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่แล้ว นะครับการทําบุญนั้นก็มีวิธีง่ายๆนะครับสามประการนะครับการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่เราเนี้ยนะครับจะมีผลนะฮะทำให้ท่านขึ้นจังหวัดชั้นสองเหมือนกันนะครับท่านอย่าลืมนะครับวิธีทำํำง่ายๆก็คือหนึ่งพยายามเลี่ยงดูท่านอย่ายท่านอดอยากนะครับอย่ายท่านอดอยากนะครับสองเมื่อเวลาท่านป่วยเจ็บอย่าทอดทิ้งท่าน พาท่านไปรักษาตามแต่อัตภาพนะฮะตามแต่กําลังทรัพย์ของแต่และบุคคลจะทอดทิ้งท่านให้ท่านตายไงฮะโดยที่ไม่มีการรักษาประการสุดท้ายถ้าหากท่านจะไปวัดฟังเทศทําบุญเราก็ควรจะให้ปัจจัยท่านไปบ้างพอสมควรนะครับถ้าใครทําได้ทั้ง3มอย่างนี้นะฮะผมก็ถือว่าท่าน มีโอกาสที่ได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นสองครับในสวรรค์ชั้นสองผมพูดมานี้ท่านเชื่อหรือไม่ครับ